ถามติดต่อกับชายคนหนึ่งที่ยังไม่เคยเจอตัวจริงของเราแต่รู้จักและติดต่อกันทางจดหมายเห็นเพียงรูปถ่ายตายไปเขาจะมาหาเราถูกหรือเปล่าคะเพราะหลังจากเขาตายไปเดือนเศษก็เห็นเหมือนมีคนมายืนหน้าบ้านและหมาก็เห่าหลายครั้งก่อนจะหอนยาวตอบโลกของวิญญาณเป็นอะไรที่คุณคิดไม่ถึงหรอกครับ เพราะไม่ได้ถูกกักขังด้วยหูตาและเนื้อตัวอย่างเราๆข้อจำกัดในโลกวิญญาณ น, นั้นขึ้นอยู่กับวิบากที่ทามาอาจกว้างขวางเป็นอิสระยิ่งหรืออาจถูกจองจาในที่คับแคบขึ้นอยู่กับระดับบุญถ้ากรรมของเขาคือการผูกใจยงใยอยู่กับคุณปรารถนาจะพบคุณโดยที่จิตคุณก็ทำตัวเป็นขั้วต่อเขาก็มาได้จริง เพราะกระแสจิตเป็นธรรมชาติที่เชื่อมติดกันได้โดยไม่จำเป็นต้องอิงหน้าตาแค่ต่างฝ่ายต่างคิดถึงกันก็ใช้ได้แล้วแต่ขอให้คิดให้ดีว่าผูกติดนะได้แต่จะได้อะไรจากการผูกติดถ้าเขามีตัวตนมาหาคุณจริงเขาจะได้อะไรจากตรงนั้นมากไปกว่าการผูกติดที่เปล่าประโยชน์ส่วนคุณจะได้อะไรจากตรงนั้นมากไปกว่าการไม่แน่ใจว่าผูกติดกับใครกันแน่ ทั้งความฝันทั้งอุปาทานแบบคิดไปเองและทั้งเรื่องจริงทางวิญญาณล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อความเปล่าประโยชน์สำหรับความเป็นอยู่ของคนธรรมดาและอาจเป็นโทษแม้กับพวกเล่นเป็นอย่างนักสยญาศาสตร์ทั้งหลายเรื่องหลังความตายนั้นขอให้คิดว่ายังไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือยังอยู่และใช้ชีวิตเยี่ยงคนที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับคนตาย การเป็นคนธรรมดามีชีวิตที่ไม่ต้องไปรับรู้เรื่องหลังความตายนับว่าเป็นสุขและไม่ต้องรับผิดชอบกับเรื่องลึกลับดีแล้วถ้าสัมผัสหรือสังหรณ์วูบวาบอะไรขึ้นมาทางที่ดีที่สุดให้คิดว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่จริงหรือต่อให้จริงก็ไม่สนสนแต่ว่าเรายังมีโอกาสทาบุญอยู่ในภาวะเลือกได้และเราก็จะเลือกนึกถึงผู้จากไปแล้วในทางดี อยากให้เขามีสุขอยากให้เขารับรู้กระแสะการทำบุญที่สม่ำเสมอของเราเท่านี้ก็นับว่าเพียงพอแล้วครับ